โคดะตอมนะครับภาคเดชอัคราชัยพัฒนนะฮะพูดมาตั้งนานแล้วลืมแนะนําตัวเองนะครับไม่ว่ากันนะฮะคือบางทีก็แบบเพลิดเพลินกัการพูดนะครับนะฮะหลายๆท่านนะครับถ้ายังไม่เคยรู้จักผมนะครับก็ยินดีได้รู้จักทุกคนนะครับอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันในคลิปมาบ้างแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเคยเจอตัวจริงกันมาแล้วนะครับก็นี่ฮะหน้าตานะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของการการไลฟ์สอนงานวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดนะครับก็คือในเรื่องของโมเดลการจับ จับให้ถูกธุรกิจนะครับจัดถูกนะฮะเราจะไม่จับผิดนะครับคือคุณเราคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็เราก็เราทุกคนเนี่ยเคยผ่านหลายๆธุรกิจมาเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งการทํางานนะครับสิ่งหนึ่งฮะที่ผมเห็นหลายๆท่านนะครับในการที่จะแทนค่าลงมือทาําลงไปเนี่ยนะฮะท่านเคยถามตัวเองไหมฮะว่าจุดไหนครับที่เป็นจุดที่ทําให้ท่านลงมือทำนะเคยเคยเราเคยถามตัวเราไหมว่าเอ้ยทําไมเราถึงต้องลงมือทําทำไมเราทำไมเราถึงต้อง ขยนันซื่อสัตย์มัธยัสถอดทนกับงานที่เราทําอยู่นะครับแต่เราเคยถามคําถามกลับมาตัวเองไหมว่าเปล า, ายทางของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับในโลกนี้มีช่องทางการทําเงินเยอะมากหลากหลายช่องทางนะครับคือเยอะมากนะครับแล้วผมก็ไม่เคยบอกด้วยว่าเ พ, พดีที่สุดในโลกนึกออกใช่ไหมผมพูดเสมอว่าวันนี้มันเป็นช่องทางที่สามารถจับ จับต้องได้นะครับเป็นช่องเป็นช่องทางที่คุณน่สามารถที่จะแบบจับเงินได้ในทุกวันนะครับแล้วคุณก็ลงทุนต่ำมากด้วยแต่ถ้าคุณทำเป็นนะฮะคุณก็คุณก็สามารถทำเงินจากช่องทางทาเงินตรงนี้ได้นะครับจาก Air Time นะครับทีนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับเข้าใจในเรื่องของคำว่าเม็ดเงินจาก Air Time ์รอ ค, คือปกติเนี่ยคุณอาจจะเคยเคยไม่เคยเห็นแพลตฟอร์มธุรกิจประเภทนี้นึกออกใช่มครัคุณเคยเห็นแต่ขายของนะครับเอาเงินไปลงทุนซื้อของมาขายต่อเก่งกาไรนะครับขายที่ดินนะครับขายอาหารขายแป้งขายกินแคร์ต่างๆนะครับคุณคุณอาจจะเคยเห็นแต่โมเดลแบบนี้นะครับหรือคุณอาจจะเคยเห็นโมเดลที่เป็นการเซอร์วิสต่างๆนะครับจายค่าน้ำค่าไฟค่าซื้อของตรงนั้นตรงนี้นะครได้ส่วนลดตรงนั้นตรงนี้คุณอาจจะเคยเห็นโมเดลธุรกิจแบบนั้นนะครับแต่พอคุณมาเจอโมเดลธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้ง รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอนะฮะซึ่งจีิงๆแล้วผมต้องบอกอีกทนว่าไอโซเชียลที่พวกคุณใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับทุกโซเชียลนะครับเขามีโครงสร้างมาเก็ตติ้งนะครับเพียงแต่เขาไม่ใช่มาบอกคุณไงนะฮะว่าเขาได้เงินยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของโครงสร้างมาเก็ตติ้งเหล่านี้นะครับถ้าถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทหรือคุณไม่ได้เป็นผู้คิดคน้นนะครับโซเชียลขึ้นมาคุณก็ไม่มีทางได้เงินเลยนะฮะ ผมจะบอกว่าเอาง่ายๆนะครับมันมีเงินจํานวนหนึ่งครเขาเรียกว่า Air Time นะครับเงินจาก Air Time นะฮะก็คือเงินบนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับจำนวนหนึ่งนะฮะก็ไม่จํานวนนึงนะมันก็มหาศาลอยู่เหมือนกันนะครับเงินพวกนี้นะครับมันมันมันมีมูลค่าของมันนะครับจากการลงทุนจากการซื้อโฆษณานะครับจากการใช้งานหรือมูลค่าการใช้งานนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเลย <te ars> แต่ว่ามันเกิดจากการใช้งานก่อนครการใช้งานก่อให้เกิดการลงทุนการลงทุนก่อให้เกิดเม็ดเงินมหาศาลเม็ดเงินมหาศาลก็เกิดเป็นกําไรแล้วก็จ่ายเข้าสู่กลุ่มมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับในโครงสร้างเวิร์กเว็บหรือโซเชียลนั้นๆนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครั บ, รบมันมีอยู่แล้วครจริงๆมันมีอยู่แล้วบนโลกนะครับเพียงแค่ว่าไม่เคยมีใครเอามาทําในส่วนของที่เป็นลักษณะของแมสโอดักแบบนี้นะครับแล้วก็จ่ายเงินคืนไปสู่ยูเซอร์นั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ ตัวผมเองนะครับก็ไม่เคยสัมผัสกับในเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมาก่อนนะครับแต่พอวันนี้เราเราได้อยู่ในวงการแวดวงพวก IT ต่างๆเนี่ยเราจะค่อนข้างนะฮะจับจุดได้นะครับแล้วก็มาศึกษาดูว่ามันคืออะไรท้ายสุดแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยคนที่คนที่คิดโมเดลนี้ได้ต้องขอขอบคุณคุณโอมเลยจริงๆนะฮะนะครับของ s u r ร o b i ฟนะครับที่คิด แล้วก็เขียนโปรแกรม p พกิวคิวขึ้นมานะครับให้พวกเราได้ใช้งานการในในการสร้างโซเชียลคอนเทนต์ต่าง ๆ, ๆพวกนี้นะครับทีนี้ฮะคุณมาดูอย่างนี้ก่อนนะครับทำไมผมถึงเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นโมเดลใหม่หนะครับแต่สิ่งที่มันใหม่คืออะไรรู้ไหมฮะมันใหม่ตรงที่ว่าเขาอะสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้งานที่มีผลต่างตอบแทนกับเบอร์เว็บเสมือนเป็นหุ้นส่วนกับเบอร์เว็บได้นั่นคือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนึกออกใช่ไหมฮะทีนี้ฮะ กับกลายเป็นว่าวันนี้โมเดลธรุรกิจนี้กลายเป็นธรุรกิจที่ผมต้องบอกนี่นะฮะว่าจะมาครองฮะมาครองตลาดกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานออนไลน์จริงๆนึกออกใช่ไหมฮะคำถามคือว่าเอ๊ะเรามาดูข้อแท้จริงกันหลายๆข้อที่ผมเห็นแล้วผมก็ถามคําถามกับกลุ่มผู้ใช้งานหรือว่าสมาชิกเพื่อนๆผมเนี่ยทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮะคุณพกโทรศัพท์ออกจากบ้านเนี่ยพกทุกวนันไหม หรือแม้กระทั่งคุณออนไลน์กันตลอด24ชั่วโมงไหมนะครับคุณซื้อของออนไลน์หรือเปล่าคุณขายของออนไลน์หรือเปล่านะครับเวลาที่คุณมีเรื่องมีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันคุณแบ่งปันพื้นที่ไหน f a c e b o o โซเชียลต่างๆนะครับคุณถ่ายรูปมาคุณก็โพสต์ลงในอินในในโซเชียลอื่นๆนะฮะทีนี้กลายเป็นว่านะครับมันมันเป็นหลักฐานที่คนฮะเขาเขาเสพติดหรือว่าใช้งานสิ่งของเหล่านี้อยู่แล้วนะับ เพราะฉะนั้ น, นะแทนที่คุณจะมี Product ใช่ไคคุณอาจจะมีวิตามินซีนะครับคุณอาจจะมี Product อะไรก็ตามแต่นะครับลองนึกภาพนะช่องทางการขายของคุณนะครับท้ายที่สุดแล้วมันไปตกที่ไหนฮะก็ตกอยู่บนอินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมฮะคือผมกำลังจะบอกว่าแบบนี้ฮะแทนที่คุณจะเอาสินค้าใช่ไหครับไปขายบนอินเทอร์เน็ตก็ ผ ม, ผมใช้กับว่าช็อตคัดคุณรู้จักคําว่าช็อตคัดไหมช็อตคัดเหมือนเหมือนสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับไม่มีช็อตคัดอยู่หน้าจอคุณต้องเปิดเข้าไปในไดดีคุณต้องเปิดเข้าไปใน ID, ปดไดซีแล้วก็เลือกโฟลเดอร์แล้วถึงจะไปถึงมันนะฮะแต่พอเรามีช็อตคัดนะฮะช็อตคัดหมายถึงตัดขั้นตอนเหล่านั้นออกนะครับคือคุณสามารถตัดขั้นตอนเหล่านั้นออกได้เลยแล้วคุณขายอะไรละครับคุณก็ขายเรื่องของพื้นที่คุณก็ขายเรื่องของไอเดียนะครับ เพราะฉะนั้นฮนะในส่วนนี้ผมต้องบอกกันเลยครับว่ามันเป็นการช็อตคัตนะฮะคือคุณไม่ต้องเอาสินค้าไปขายนะครับเพราะว่าสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันคือไอเดียต่างหากมันคือพื้นที่ที่อยู่น Internet, นบนอินเทอร์เน็ตต่างหากนะฮะผมจะเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าวันนี้เนี่ยเพจคิเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่อสังหาริมทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันรอเ ง, งอกเงินอยู่ขึ้นอยู่กับว่าพอคุณซื้อเสร็จแล้วคุณจะปล่อยให้มันงอกเงิยยังไงนะครับคุณใส่มูลค่าอะไรให้ใ ห, ให้ก จับถูกธุรกิจเนี่ยต้องถามมีเหตุว่ า, วาคุณลองนึกภาพในข้อเท็จจริงนะฮะทำไมเราถึงต้องทําธุรกิจที่เป็นโซเชียลมาเก็ตติ้งนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับคุณหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยพอคุณเปิดไปหน้าหน้าเมนูของคุณเนี่ยคุณเห็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคุณต้องต่อโฟนดาต้าตลอดนึกออกไหมฮะคุณสามารถแชทกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านโซเชียลหรือแม้แต่รกระทั่งในเรื่องของการทําตลาดในเดือนผมใช้คําว่าคุณกําลังผลิตวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย แทนที่คุณผลิตไปคุณใช้เวลากับการโพสคุณใช้เวลากับการถ่ายรูปคุณใช้เวลากับการแชร์ดูคลิปต่างๆเนี่ยคุณกำลังสร้างทราฟฟิกจำนวนมหาศาลให้กับเจ้าของโซเชียลเหล่านั้นเช่น f a c e b o o นะครับคุณโพสรูปโพสเต a ัสลงไปหรือแม้กรทั้งขายของลงไปโพสธุรกิจของคุณเนี่ยคุณกำลังสร้างทราฟฟิกให้เจ้าของ Facebook เอาทราฟฟิกตรงเนี้ยไปขายนะครับแล้วก็เกิดเงินมหาศาลเลยเข้าไปสู่ในเรื่องของ Marketing ของ Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลุ่ม Foundation ต่างๆเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นของ Facebook เขาก็ได้เงินจากการทำตรงนั้นนะครับแต่เราไม่ได้ทั้งที่เราเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบแท้ๆนะครับกับการเป็นว่าวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของวัตถุดิบเองนะครับในพื้นที่แห่งเอคิวนะฮะ คุณลองลองจับประเด็นผมไม่ได้นะคุณผลิตวัตถุดิบเองนะครับคุณมีโรงงานผลิตวัตถุดิบอยู่แล้วนะฮะอยู่ในสมองคุณนะครับรูปภาพของคุณนะฮะไอเดียของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งข่าวที่คุณเสพต่างๆนะนั่นคือวัตถุดิบนั่นคือนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถได้มาฟรีๆในห้องใช่ไหมฮะทีนี้ฮะคุณผลิตวัตถุดิบได้เสร็จแล้วคุณทํายังไงครับคุณก็โพสต์เป็นคอนเทนต์ลงไปนะครับอยู่ในเพจคิวๆแล้วจากนั้นเนี่ยคอนเทนต์เหล่านี้ก็ค้ับนนะรอย คุณลองนึกภาพฮะคุณไม่เคยได้เงินจากการโพสต์ Facebook ล i n e ิน s t a g r a m มาก่อนเลย10กว่าปี20กว่าปีนึกออกใช่ไหมฮะคุณใช้งานมาคุณไม่เคยได้เงินมีแต่คุณเสียเงินแต่ทีนี้ฮะคุณมาโพสต์ในเพจคิวๆเนี่ยคุณสามารถทำเงินได้จากช่องทางมาร์เก็ตติ้งตอนนี้คือข้อที่4นะครับได้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครั บ, รนะรบถ้าคุณสามารถทำได้จำนวนมากคุณก็ได้ในส่วนของปันผลตรงเนี้ยเยอะ นะครับคุณได้น้อยนะครับคุณไม่ต้องไปน้อยใจอะไรนะครับเพราะว่าเกิดมู ล, ลค่านะครับไม่มากก็น้อยอย่างที่ผมพูดไปแต่อย่าลืมฮะคอนเทนต์ของคุณ ที่เป็นทรัพย์สินของคุณบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะสามารถทําเงินให้คุณตลอดชีวิตเมื่อมีการนะครับโรเพนะครับคุณอาจจะเอาลิงก์ของคุณที่คุณใครสร้างไว้แล้วเนี่ยไปแปะไว้ตามที่ต่างๆนะครับหรือว่าแชร์ไปตามโซเชียลต่างๆเขาก็เกิดเงินให้คุณได้นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นการช็อตคัตเลยฮะแทนที่คุณจะไปนั่งขายสินค้าต้องพรีเซนต์สินค้าให้มันดีให้มันยอดให้มันเยี่ยมคุณต้องไปนั่งทําตลาดนะครับให้มันเป็นแบรนด์นะครับเปลี่ยนใหม่เลยครับ คุณทำยังไงล่ะครับให้ไอเดียของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งรูปภาพของคุณหรือว่าเนื้อหาของคุณนะครับเกิดการเข้ามารับชมเกิดการเข้ามาเสพเกิดการเข้ามาติดตามนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดมูลค่าไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าแต่กลายเป็นไอเดียต่างหากนะฮะคุณกำลังขายไอเดียอยู่นะครับทีนี้ไอเดียของคุณสามารถขายได้ตลอดชีวิต นี่ออกใช่ไหมฮะนี่นี่คือนี่คือโมเดลอ่านี่คือฟิวเจอร์ของมันนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกให้ก่อนว่าในตัวเพจ QQ นะฮะหรือว่าธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะ คุณต้องรู้เหมือนกันนะครับว่าในยุคสมัยก่อนออถัดไปไม่ใช่ก่อนนะถัดไปนี้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของธุ ร, รกิจที่เป็นเกี่ยวกับ IOT นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ v a r a b l e technology นะครับ smart grid ต่างๆที่จะเข้ามาแทนที่นะฮะอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เป็นในเรื่องของอุปกรณ์ IOT หรือ Internet of Things นะครับถ้าคุณดูนะครับในส่วนของการให้ข้อมูลผมตั้งแต่ต้นผมจะให้แกน ผมจะให้แกนก่อนผมจะให้ในเรื่องของวิวัฒนาการการสื่อสารวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอทีต่างๆนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีคือผมไม่ได้ให้หมดหรอกต้องบอกตามตรงนะครับไม่งั้นเราคุยกันยาวมากนะครับผมก็ต้องให้รู้ทีนึงว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับทีนี้ถ้าใครมองเห็นแล้วคุณถ้าคุณไม่ปฏิเสธความจริงนะและคุณยอมรับเทคโนโลยีนะคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเพจค q เนี่ยมันก็เป็น มันเป็นเหมือนซับโนดโนดเล็กๆะฮะเป็นธรรุรกิจเล็กๆะะที่อยู่ในกลุ่มของพวกธรรุรกิจที่เป็นโซเชียลกลุ่มธรรุรกิจที่เป็น IoT ต่างๆหรือแม้กระทั่งในอน า, าคตจะเป็น i o IOE หรือ Internet of Everything นะครับก็คือทุกๆอย่างฮนะอยู่บ น, นอินเทอร์เน็ตหมดนะครับสังเกตไหมฮะอย่างที่ผมบอกะฮะว่าทำไมเพจอ q เนี่ยแทนที่คุณจะต้องมาแบบว่าออนั่งขายสินค้านั่งแบบต้องรู้เรื่องอะไรพวกนี้กลับกลายว่าคุณสามารถ ขายไอเดียคุณไปได้เลยคุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทําเงินได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าการเชื่อมต่อโครงข่ายของมนุษย์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยสมัยนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสังคมออนไลน์ทุกสังคมนะครับเป็นสังคมที่คนสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับไม่ว่าจะไกลกันแค่ไหนนะครับมีแค่ตัวตัวเดียวเลยะที่เชื่อมเราได้คืออินเทอร์เน็ตนะครเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณเห็นว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เป็นธุรกิจ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะฮะให้คุณทําไปเลยครับคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับแค่ดูแพลตฟอร์มของธุรกิจผมก็บอกเลยว่าถ้าในมุมมองนักการตลาดแบบเรานะนะฮะผมมองเลยว่าตรงนี้มีอนาคตที่ไกลมากนะครับถ้าคุณดูในคลิปทิศ ท, ทางที่ผมคุยไปนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะทีนีน้รูปแบบของการตลาดที่ถูกขยายนะครับต้องบอกงนี้เลยครับว่าเป็นรูปการตลาดแบบออนไลน์นะครับคุณสามารถมีกลุ่มผู้ใช้งานนะครับจำนวนมหาศาลได้จากออนไลน์ อย่างวันนี้นะฮะสมาชิกที่เข้ามามามาสมัครกับตัวลำเองนะครับมาสมัครกับทีมงานหลายๆท่านนะครับก็มาจากโลกออนไลน์นะครับผมต้องบอกว่าผลลัพธ์ของตัวเพเกอร์คเนี่ยนะครับคนฮะคนเขาก็อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเขาที่เขาทําทุกวันเนี่ยนะครับไม่อยากให้เสียเงินเปล่าๆอยู่แล้วอยากให้มันเป็นเงินอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมฮะคำถามคือว่าทุกคนกําลังมองหาช่องทางอยู่นะครับแต่เขาจะไปหาช่องทางอะไรล่ะนะครับพอเขาเจอนะฮะ ก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็คุยกันฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจนะครับที่เราทาสามารถทำงานได้เลยเนี่ยคุณคุณคุณลืมภาพไปนั่งสปอนเซอร์วันออน้ว น, นะฮะคุณลืมภาพในการที่จะต้องไปนั่งคุยแผนเคลียร์แผ น, นอะไรได้เลยฮะ ค, คือรูปแบบนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรูปแบบที่อาจเราอาจจะเคยเห็นมาก่อน แต่วันนี้รูปแบบของการทำธรุรกิจนะครับออนไลน์คุณสามารถเห็นหน้ากันได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับคุณสามารถดูข้อมูลข้อเท็จจริงได้เลยนะครับยุคนี้มันหมดยุคที่มาต้องมันต้องมานั่งหลอกกันนะฮะการที่คุณกลัวคนมาหลอกหรือว่าการที่คุณกําลังจะไปหลอกคนอื่นเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณไม่สามารถหลอกใครได้หรอกครับในยุคนี้คนเราฉลาดนะแต่ทีนี้เนี่ยผมต้องบอกอีกก่อนว่านะครับ คุณต้องมีข้อมูลและข้อเท็จจริงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทำไมต้องถึงบอกทุกคนเสมอนะครับว่าเราจะคุยข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับคุณไม่ต้องโอเวอร์เซล์นะครับมันหมดยุคของการโอเวอร์เซลมันหมดยุคของการโมดิเวทกันแล้วนะครับมันเป็นยุคของการคุยข้อเท็จจริงกันนะครับว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับอ่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แบบนี้มันได้จริงไหมมันพูฟแบบไหนนะครับเอ้ y, มันถูกกฎหมายหรือเปล่าให้ให้คุณเชื่อจากข้อเท็จจริงเท่านั้น นะครับคุณอย่าเชื่อจากข้อคิดเห็นเพราะข้อข้อคิดเห็นมีอยู่เต็มบนโลกนี้มีข้อคิดเห็นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าข้อแท้จริงจะเป็นตัวตัดสินความถูกต้องเสมอนะครับผมไม่เคยกลัวอะไรเลยนะครับในการทําโมเดลธุรกิจตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามีข้อแท็จริงกันอยู่นะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะฮะเพล่เเนี่ยบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบริษัทเราชื่ออะไรนะฮะบางคนยังบอกบริษัทเพจคิอยู่เลยนะครับซึ่งผมก็ขำๆไปนะฮะว่า มันก็ไม่รู้เรื่องจริงๆกันนะเราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้นะฮะเห็นไหมฮะว่ารูปแบบของวิชั่นคือวิสัยทัศน์ของมันนะครับมันไปในเรื่องของธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจมิติใหม่นะฮะคือมันไม่มันไม่เคยมีใครทามิติธุรกิจแบบนี้นึกออกใช่ไหมฮะมิติที่เจ้าของโซเชียลต้องมาปันผลกําไรให้กับกลุ่มผู้ใช้งานเราไม่เคยเจอธุรกิจแบบนี้มาก่อนนึกออกไหมฮะทีนี้ฮะมันเป็นเรื่องของโซเชียล แล้วมันก็เป็นเรื่องของยุค IOT ด้วยนะครับ Internet of Thing Internet of Everything ที่จะมาถึงนะครับหรือแม้กระทั่งรูปแบบทำการตลาดมันเป็นรูปแบบออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำงานได้ง่ายๆคุณไม่ต้องขับรถไปไกลเพื่อไปเข้างานฟังก์ชันที่จะต้องประชุมกันทุกวันทุกคืนทุกอาทิตย์ไม่ต้องนะครับคุณสามารถใช้ในเรื่องของ เอ่อ e-learning นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลนะครับข้อท็จจริงของมันนะครับมีไม่เยอะฮะมันง่ายๆสั้นๆผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากตรงนี้นะครับแล้วอินเทอร์เน็ตเข้าถึงกับทุกคนนะครับทุกคนมีในเรื่องของเอ่อผมใช้คําว่า dose ของการรับรู้แล้วกันนะครับคุณภาพของการรับรู้ข้อมูลเนี่ยดีขึ้นนะครับคนไทยเราพัฒนาจากการรับรู้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการฟังนะครับการอ่านนะครับการดูรูปภาพประกอบนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้สื่อการ การสอนที่เป็นคลิปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะผมต้องบอกว่านะครับในเรื่องของออโมเดลธุรกิจเนี่ยผมต้องบอกอนี้เลยวรับว่าคุณเนี่ยนะครับจับถูกธุรกิจยังไงนะครับธุรกิจนี้นะเป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยคุณนึกออกใช่ไหมครับคุณพ่อผมนะครับคุณพ่อผมทุกวันนี้นะครับก็ เป็นบุคลากรนะครับทางการศึกษาด้วยนะครับที่มหลาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่บอกกับผมเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเพจคิวเนี่ยนะครับถ้ามองแพลตฟอร์มธุรกิจออกนะครับทุกคนจะเห็นเลยนะครับว่าเพจคิวเนี่ยนะฮะไม่ได้แข่งกับใครเลยคือไม่แข่งนะแต่เพจคิวเนียช่วงเริ่มต้นคุณฟังผมดีดีนะ เพคคิวคเนี้ยช่วงเริ่มต้นแน่นอนฮะเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้แบบโด่งดังมากมายระดับโลกระดับแบบโอ้โหสุดยอดนึกออใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาก็จะใช้วิธีในเรื่องของการเกาะไปกับทุกธุรกิจนะฮะมันเกาะไปกับทุกธุรกิจนะฮะคุณคุณฟังพอยท์ยผมดีๆนะ <c oughs> เริ่มต้นมันเกาะไปกับทุกธุรกิจครับแต่เดี๋ยวถึงจุดจุดหนึ่งคุณฟังผมดีๆนะฮะถึงจุดจุดนึงทุกธุรกิจ ทุกโมเดลโซเชียลหรือแม้กระทั่งช่องทางของเวิร์เว็บต่างๆเขาจะหันมาเกาะเพจคิิวแท น, นะเพราะว่าเกิดกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมหาาลและมีอิทธิพลมากพอในการที่จะทำธุรกิจหรือพอร์ตการลงทุนต่งตางๆนะฮะเพราะฉะนั้นฮะถ้าใครมองถ้าใครมองไปไกลนะครับที่ คือคุณอย่ามองว่ามันทําเงินแบบ500ต่อวันพันหต่อวันนะครับหรือแม้กระทั่นคุณอาจจะมองแค่ว่าเอ๊ะมันแค่โพสต์คอนเทนต์แล้วได้เงินผมบอกเลยฮะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นวันนี้เพจยูคิวว่ามีอะไรที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะนะครับที่คุณโอมเขายังไม่ปล่อยออกมานะครับค่อยๆค่อยๆให้คุณทําความรู้จักกับมันนะครับเพราะว่าขนาดแค่ปัจจุบันแล้วเนี่ยนะฮะขนาดมีแค่ปัจจุบันเนี้ยเผลอๆเรายังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมันมากเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับอีกหน่อยฮะผมต้องบอกอย่างนี้นะคร สื่อสื่อหรือโซเชียลตัวนี้นะครับเพจค q วเนี่ยจะกลายเป็นสื่ออิทธิพลตัวหนึ่งนะครับที่จะมีคนจํานวนมหาศาลใช้งานแล้วก็เกิดในเรื่องของการเงินที่สะพัดนะครับเข้าในประเทศต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าในกลุ่มคนนะครับที่สามารถสร้างโมเดลธุรกิจของเขาได้นะครับทีนี้ฮะมันจะเกิดกลายเป็นว่าเมื่อมีการจ่ายภาษีเมื่อมีการจ่ย า, าจยภาษีแรกๆต่างๆเนี่ยแน่นอนฮะมันมีส่วนทําให้ประเทศนั้นๆฮะเกิดในเรื่องของการ ผู้คนที่มีรายได้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือฮะกลุ่มคนที่เขาต้องการมองหากระเป๋าเงินที่จะซัพพอร์ตในการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะฮะที่นี่ฮะไอ้โมเดลธุรกิจตัวนี้นะครับคุณลองนึกภาพนะฮะผมสมมตินะผมใช้คำว่าสมมุตินะฮะสมมุติว่าโมเดลธุรกิจตัวนี้นะครับมีคนใช้ตัวเพจคิวคิวเนี้ยอยู่1ล้านยูเซอร์นะครับในอนาคตนะฮะสมมติมีอยู่1ล้านยูเซอร์ล้านยูเซอร์เนียเงินสะพัดนะครับในตัวโครงสร้างเนียมากกว่าพันล้าน เรามีการจ่ายภาษีให้กับสัารนะครับปร์ทุกโหนดทุกคนทุกยูเซอร์ที่มีการซื้อพื้นที่ตรงนี้เข้ามานะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการจ่ายภาษี 7% นะฮะพันล้านจ่ายภาษีเอ่าแสดงว่าเงินเข้าภายในประเทศเนี่ยนะครับแคบรประเทศไทยก็70ล้านแล้วนะฮะคุณว่าเป็นเป็นในเรื่องเนี้ย มันมันมันก็เป็นการช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศของเราด้วยนะครับในส่วนนี้นะฮะทีนี้ฮะเมื่อโมเดลธุรกิจมันเติบโตนะครับมันเติบโตไปเรื่อยสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะมันจะพลิกนะผมใช้คำว่าพลิกเลยนะพลิกไม่ใช่แบบเม็ดแดงๆพลิขี้หนูอนะไรเงี้ยคือพลิกนะฮะพลิกลักษณะของการใช้งานหรือว่าลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ มนุษย์อาจจะลืมการตั้งสเตตัสไปเลยก็ได้ครับคือจะลืมไปเลยฮะคือตื่นเช้ามาฉันไม่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วโพสต์สัฮะเขาจะตื่นมาพร้อมกับการสร้างคอนเทนต์นะครับเพราะว่าอะไรนฮะไม่ได้เงินแต่คอนเทนต์ได้เงินนึกออกใช่ไมฮะั status ไม่มีผลต่างตอบแทนแต่คอนเทนต์มีผลต่างตอบแทนนึกออกฮะการที่คุณสร้างส t ตตันะครับลองนึกภาพนะฮะกับการที่คุณสร้างคอนเทนต์ วันนี้การสร้างคอนเทนต์ทำให้เกิดกลุ่มทัฟฟิกเข้ามาในตัวเพจเคิวควเยอะเมื่อมีการเพิ่มทัฟฟิกมากๆหมายความว่านะครับในส่วนของพอร์ตการลงทุนนะครับการใช้งานต่างๆมันก็จะมีมากมากขึ้นนะมันก็เป็นผลนะครับแอคชั่นเท่ากับรีอคชั่น นะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเราเรามีในเรื่องของมวลประชาชนมากขนาดไหนหรือการใช้งานหรือการเข้ามาดูซ้านะครับหรือการคงอยู่หน้าเว็บอยู่ในเว็บเนี่ยตราบนานขนาดไหนนะครับ mm hmm. เราย mm ิ hmm. ่งมีในเรื่องของการต่อรองนะครับในเรื่องของการลงทุนต่าง ๆ, ๆนะครับที่ค่อนข้างสูงนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับคุณกำลังจับธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ผมต้องบอกอีกนะครับว่าเป็นเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจอนาคตนะครับไม่เคยมีใครทาแบบนี้มาก่อนแล้วคุณคุณทตรงเนี้ย คุณเข้ามาเป็นยูเซอร์แรกๆของโลกเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆหลายคนกําลังมองหาโอกาสที่โชคดีแบบคุณแต่คุณหารู้ไหมว่าวันนี้คุณน่ะอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามมากๆคือพื้นที่ที่คุณน่ะสามารถมองเห็นอนาคตได้เลยนะฮะถ้าคุณกําลังคุณกําลังรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรนะฮะผมพูดเสมอฮะว่าวันนี้นะครับยูเซอร์เนี่ยนะครับที่อยู่ประมาณ 19,00 นเก้านยูเซอร์นะตอนนี้ 19,00 นแล้วนะครับนะฮะเช็คล่าสุดนะฮะหมื่นยูเซอร์ที่มีการสมัครเข้ามาเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะครับอ่ะผม 80% นะครับ 80% เนี้ยนะครับกำลังนั่งทับขุมทรัพย์นะครับจาก Air Time ตรงเนี้ยด้วยเม็ดเงินมหาศาลที่บางครั้งคุณอาจจะไม่รู้เลย่ว่าคุณ จ, จะได้เงินมายัางไงนะฮะสังเกตจากคนรับมากมายนะครับของอสมาชิกทีมงานยูเซอร์ต่างๆบางคนฮนะสมัครเข้ามานะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮนะมีเงินแบบ200คิว300คิว มันคืออะไรกันนะครับระบบออโต้เพลสมันมีพลังขนาดนี้ฉเฉยๆนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับคุณไม่ต้องตกใจทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับหลายๆท่านนะฮะที่บางบางครั้งเนี่ยเข้ามาแบบงงๆนะฮะเผลอๆลืมรหัสมสมัครสมาชิกด้วยนะครับพอเปิดเข้ามาดูออพอไปขอรหัสส ม, มาชิกมาพอเปิดเข้ามาดูกล่องคิวตัวเองเฮ้ยทำไมคิวขึ้น เฮ้ยทําไมฉันถึงได้เงินนะครับบางคนก็นะครับสร้างคอนเทนต์ไปนะครับได้เป็นแสนวิวนะครับได้เป็นหลายๆแสนวิวก็เกิดเงินนะมาทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันถูกมันถูกพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคืออะไรรู้ไหมฮะคือบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าการทําธรุรกิจที่เป็นธรุรกิจแบบภาพหลังบ้านเนาะภาพหลังบ้านคือมันเป็นจุดเริ่มต้นหรืออกไหมฮะ วันนี้เนี่ยแน่นอ น, นครับเมื่อมันเป็นจุดเริ่มต้นเราเราไม่ได้มีรถสวยๆมาจอดโชว์นี่หรอใช่ไหมเราไม่ได้มีในส่วนของบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเราไม่ได้มีส่วนของการเป็นแบบทริปท่องเทีย่ยวเพราะเราไม่ใช่บริษัทขายตรงฮนะที่ต้องมาอวดตรงนั้นตรงนี้กันนะครับแต่ผมเข้าใจนะครับเมื่อถึงจุดจหนึงน่งฮะ ผลลัพธ์ที่จับต้องได้แน่นอนนะมันจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนนะมันจะมีคนที่ได้ผลลัพธ์มากนะครับแล้วเขาก็จะมีรถแล้วเขาก็จะมีรถมีบ้านมีไลฟ์สไตล์นะครับมีหลักฐานที่จับต้องได้นะเพราะฉะนั้นฮะวันนี้ในรูปแบบของโครงสร้างของมันนะครับมันทําเงินได้จริงฮะแล้วมันก็ทําแล้วจริงๆนะครับทีนี้คุณลองนึกภาพนะฮะมันมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ผมต้องบอกนี้เลยว่ามันเป็นแมสส์โปรดัก Mass product หมายความว่า mass คือกลุ่มมวลมหาประชาชนนะครว่า mass นะครับ M A S S นะค mass คือมวลประชาชนเยอะๆนะ mass เนี่ยหมายความว่าทุกคนนะสามารถเข้าใจและสามารถลงทุนได้สามารถทำได้สามารถศึกษาได้นะครับในการใช้งานเพจคิวตรงนี้แล้วก็สร้างนะครับในเรื่องของโมเดลธุรกิจได้นะทีนี้ครับในส่วนของรายได้ นะครับที่ได้มาลักษณะของรายได้นะครับมีทั้ง Active และ p a s s ีฟนะครับถ้าคุณไปทำความรู้จักกับในเรื่องของรายได้พวกนี้นะครับคุณจะรู้เลยว่าในรายได้ข้อที่อ่าข้อที่นะฮะไม่ว่าจะเป็น 2.1-2.2 เนี่ยนะครับคุณจะมีรายได้ที่มหาศาลมากเลยจากเงิน 1,000 นะครับต้องลองไปดูนะฮะในรายได้5ข้อนะครับอยากให้ดูให้เข้าใจนะครับว่ามาอยังไงนะครับที่สำคัญคืออะไรรู้มฮะมันเป็นการลงทุนที่ต่ำแล้วคืนทุนเร็วมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโมเดลธุรกิจตัวนี้คุณสามารถลงทุนที่ถูกมากๆราคาแค่1000งพันึกออกใช่ไหมคุณเวลาคุณซื้อคุณซื้อกับบริษัทนะครับเวลาคุณสามารถทํากําไรหรือว่าทําในส่วนของค่าตอบแทนคืนมาเนี่ยคุณสามารถคืนทุนได้เร็วมากที่เหลือคืออะไรครเมื่อคุณคืนทุนแล้วโปรเจกต์เนี้ยออกแบบมาให้คุณจ่ายเงิน1000ใช่ไหมฮะซื้อพื้นที่คอนเทนต์อย่างถูกต้องคุณสามารถทําเงินแบบคืนทุนได้เลยที่เหลือคืออะไรกําไรทั้งหมดเลยฮะคือเอาง่ายๆครับ เมื่อคุณคืนทุนแล้วที่เหลืออะโปรเจกต์เนี้ยเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาง่ายคือคุณกดเงินออกมาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวคุณนึกออกใช่มมันทำเงินจากอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็กดออกมาอย่างเดียวนะครับรูปแบบแพลตฟอร์มมันออกแบบนั้นนะครับไม่ไม่งั้นผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่ า, เ, าเปลี่ยนมือถือเป็นตู้ ATM เนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการคืนทุนนะฮะมันจะช็อตเทอมนะฮะเมื่อกี้เรามีนะฮะมีแพสซีฟแมสซีนะครั บ, ive, ive, รบที่ช็อตเทอมที่สำคัญคือคุ ผมต้องบอกอย่างกันนะว่าหลายๆครั้งนะครับที่เราผ่านผ่านมาในหลายๆโมเดลธุรกิจนะครับเราก็รู้สึกเครียดน่ะรู้สึกกังวลนะกับการที่เราต้องลงทุนกับการที่เราต้องไปชวนคนนะครับเพราะอะไรฮะคุณลงทุนสูงถ้าคุณไม่สามารถที่จะมีการชักชวนเพื่อนๆนะครับมาลงทุนเหมือนคุณได้นะครับคุณก็ไม่ได้เงินนี่ออกใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ฮะในส่วนของตัวตัว p พกยูหรือโมเดลธุรกิจนี้นะฮะคุณลงทุนต่ำหน0 0งพันนะครับ ต่อให้ถามว่าถ้าคุณไม่สามารถชักชวนเพื่อนเอนมาใช้งานได้เลยนะฮะก็ ก, ก็ไม่เครียดนะคุ ณ, คณลองคุณลองนึงกภาพก่อนไหมฮะหนึ่บางคนซื้อหวยเยอะกว่านี้อีกหรือว่า1000เนี่ยคุณเดินเข้าห้างสั่งสินค้าก็หมดแลนะครับแต่ทีนี้ฮะคือมันไม่เกี่ยวว่ามันมากหรือมันว่ามันมากหรือมันน้อยแต่มันเกี่ยวที่ว่าคุณสามารถถ้าคุณเข้าใจคุณสามารถชักชวนเพื่อน เ, อ น, เอนใช้งานได้จริงๆจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยผมต้องบอกให้ก่อนนะว่า มันเป็นการที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปแบบสรรหาใครแบบเยอะมากมายคุณแค่ชวนเพื่อนใช้งานจากเพื่อนที่คนใช้อยู่แล้วนึกออกใช่มครัคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณควรจะคุยแบบไหนคุณควรจะชวนเขาใช้งานแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จริงมันถูกคุยออกไปมันถูกมีการตอบข้อโต้แย้งต่างๆชัดเจนนะครับคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันง่ายมากเลยนะนึกออกใช่ไมครัเพราะฉะนั้ น, นอย่าทำโปรเจกต์นี้ให้ยากนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ง่ายๆนะครับคุยกันง่ายๆนะครับซื้อกันง่ายๆนะครับสบายๆนะฮะ ที่สำคัญคืออะไรตัวเมียมันเกิดเมื่อเมื่อคุณไม่เครียดแล้วนะครับในเรื่องของโครงสร้างมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการทวีคูณะเป็นหลักการผ่อนแรงนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับในเรื่องของหลักการการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายาการนะครับที่เขาเอามาม า, มาใช้งานด้วยกันนะครับทีนี้ฮนะ ต้องบอกอกันก่อนว่านะครับโมเดลไหนที่เป็นลักษณะของโมเดลซิงเกิลนะครับคุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตเช่นนะฮะธุรกิจส่วนตัวนะครับธุกะะ ร, รกิจส่วนตัวคุณหยุดไม่ได้มันเป็นลักษณะของซิงเกิลพาวเวอร์คือตัวคุณเองนะฮะซิงเกิลพาวเวอร์คือคุณ่ะต้องทำอยู่นะครับคุณไม่สามารถหยุดทำได้นะครับรายได้เป็นแบบ Active Income นะฮะอินแอคท e ฟนะครับก็คือรายได้ที่คุณต้องลงแรงลงเวลาแล้วก็ทำนะฮะแต่ทีนี้ในเรื่องของถ้ามีหลักการ Leverage p o w e เเข้ามา l e เวลเลช์พาวเอคือในเรื่องของกฎการทวีคูณนะฮะมีคนหลายๆคนนะครับมาช่วยกันสร้างระบบสร้าง System นะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของระบบขึ้นมานะครับทีนี้ฮะพอมันมี Leverage เนี่ยผมต้องบอกครับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดมันจะแตกตัวเป็นเช a i n Reaction ไปเรื่อยปฏิกิริยาเชเชลิแอคชั่นะครับถ้าแปลเป็น ในส่วนของภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยก็เหมือนพวกปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับที่มันเกิดการแตกตัวไปเรื่อยๆนะครมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคุณลองนึกภาพนะฮะเฟซบุ๊เข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆไลน์เข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆนะครับแรกๆก็ไม่มีคนรู้จักนึกออกไหมฮะทุกคนยังเล่นวอตแอบกันอยู่ทุกคนยังมี MSN มีไ i ไฟกันอยู่นะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งฮะที่มันเกิดปฏิกิริยาเชนเรียคชั่นนะครับทุกคนเริ่มมีการแนะนําบอกต่อกันให้ใช้นึกออกใช่ไหมฮมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะในเพจคิ เพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปคุยกับเพื่อนเราเขาอา จ, จะมีนะปฏิเสธอยู่ก็ จ, จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นมันนีเกมหรือเปล่าผมก็เฉยๆนะกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เคยถูกหลอกกันมาเยอะเคยเห็นภาพแบบนี้มาเยอะและข้อมูลพวกนี้ก็เป็นข้อมูลในอดีตชาติคุณนึกออกใช่ไหมฮะพอเราคุยในเรื่อนงะของโมเดลแบบนี้เขาก็จะมองเป็นภาพแบบนั้นก็ไม่ว่ากันฮนะแต่พอถึงจุดหนึ่งฮนะที่มันเกิดปฏิกิริยาเรีแอคชั่นไปแล้วฮนะ น ค, คนใช้งานจํานวนมหาศาลแล้วเนี่ยคำถามคือคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งหาคนที่จะทําเช่นกันนะเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังจับโมเดลธุรกิจที่มีอนาคตมากๆในเรื่องของแพลตฟอร์มธุรกิจหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มการใช้ชีวิตของคนเพราะว่าคนเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเขาต้องการพื้นที่โพสต์เขาต้องการพื้นที่ในการติดต่อสื่อสารกับเรานะครับแล้วคุณลองนึกภาพนะรจริงๆริงนะผมต้องบอกนี้ก่อนนะเพจคิวคิวะ ณตอนนี้คุณอาจจะยังเห็นนะว่ามันมีแค่โพสต์คอนเทนต์แล้วได้วิวแต่คุณหารู้ไหมว่าอีกหน่อยฮะรูปแบบของมันฮะจะครบเครื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก r ุ u p แชทนะครับแกลเลอรี่ออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายโฟโต้ออนไลน์นะครับที่มีคนเข้ามากดไลค์ให้คุณมากดหัวใจให้คุณนะครับจะมีนะครับคล้ายๆกับอินสตาอเลยนะฮะทีนี้หรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของการสร้างเว็บบล็อกนะครับการจัดหมวดหมู่นะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางซื้อขายออนไลน์ มันจะรวมฮะมันจะรวมเป็น worldwide content จริงๆไนงะชื่อเราคือ worldwide content นึกออกใช่ไหมฮะทุก content ทุกการใช้โซเชียลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับที่ทุกธุรกิจอย่างที่ผมบอกไงตอนแรกตอนแรกเราจะเกาะไปทุกอันแต่ต่อไปฮะทุกโมเดลธุรกิจจะเข้ามาเกาะ ก, กับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่คนใช้เยอะมากจํานวนมหาศาลเราเกาะไปได้ทั้งโลกเลฮะเกาะไปได้กับทุกโซเชียลที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับทีนี้ฮะผมต้องบอกอยก่อนนะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเพคิวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเสือนอนหลับนะเหมือนเสือตัวนี้ไม่ดุด้วยนะฮะไม่แข่งกับใครไม่กัดกับใครนะครับแต่เมื่อหิวนะครับเขาก็พร้อมฆ่าทุกธุรกิจที่ไม่มีการพัฒนาได้ตลอดเช่นกันนะเ <นะ S 2> พราะฉะนั้นผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่า อ, อ, อาจจะมีผลกระทบในวงกว้างมากๆเมื่อโมเดลธุรกิจเนี้ยไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่า w o r l d w i ้นะครับสิ่งหนึ่งฮะสคัญที่สุดเลยคือคือโลกมันเปลี่ยน เมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของในเรื่องของการต่อสู้กันเชิงธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยอะนะครับหลายๆธุรกิจนะฮะก็จะหายไปนะครับไม่มีคนใช้บ้างนะครับเอาแล้วบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งขาดทุนนะครับในเรื่องแบบนี้นะครับจะมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยโมเดลตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะไม่ได้แข่งกับใครเลยนะนะฮะ แต่ด้วยที่ว่ามันเป็นโมเดลที่คนรู้สึกจับต้องสัมผัสได้บางครั้งเนี่ยหลายๆธุรกิจอาจจะรู้สึกว่าถูกแข่งขันซึ่งเขาถูกแข่งขันเองเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ไปแข่งกใครนึกออกใช่ไหมฮะแต่มันเป็นในเรื่องของโมเดลมันนะเพราะฉะนั้นนะครับธุรกิจตัวนี้มันเป็นธุรกิจที่คุณเนี่ยสามารถจับแล้วก็ทําได้นะครับโดยที่คุณเนี่ยหไม่ต้องลงทุนสูง2คุณไม่ต้องมาเรียนจบสูงๆหรือว่ามีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่สำคัญคือขอให้คุณเข้าใจมัน ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจบ้ไหมที่สําคัญคือในเรื่องของ mindset ฮะวิธีคิดของคุณสําคัญมากนะครับคุณต้องมองให้ออกมองให้ขาดนะครับแล้วก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจแล้วนะครับคุณมั่นใจแล้วนะครับไม่มีใครสามารถมาแสดงข้อคิดเห็นนะครับที่มันไม่ใช่ข้อที่จริงกับคุณได้นะครับคุณจะมีการเอ่อผมใช้คำว่าปักหลักอยู่ในความเชื่อมั่นนะครับปักหลักอยู่ในสิ่งที่คุณเข้าใจค่อนข้างชัดเจนแล้วมีพลังนะครับทีนี้ฮะ คุณลองนึกภาพนะครับเมื่อเมื่อมันเป็นเมื่อมันเป็นธุรกิจนะครับที่มีผลต่างตอบแทนนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะให้ทุกท่านดูนะครับก็คือผลลัพธ์ปลายทางธุรกิจต่างหผลลัพธ์ปลายทางของธุรกิจนะถ้าคุณจะเลือกทําธุรกิจใดๆนะครับให้คุณดูปลายทางของธุรกิจก่อนนะครับหนึ่งนะฮะเอะปลายทางเนี้นะครับผลตอบแทนนี้ของการเงินนะครับคุ้มค่าที่เราจะลงทุนไหมนะครับ เพราะฉะนั้นฮะโมเดลนี้เป็นโมเดลที่คุณอ่ะลงทุนตำ่ำใช่ไหมฮะเพียงแค่1000แต่คุณสังเกตไหมว่าศักยภาพของธุรกิจผมใช้คำว่าศักยภาพของธุรกิจนะศักยภาพของธุรกิจสามารถทําให้คุณเนี่ยปเปลี่ยนเงิน1000นเ่ยเป็นหลักล้านได้หลักล้านที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายความว่า1ล้านบาทน ะ, ะหมายว่าเป็นหลักหลายๆ ล, ล้านบาทได้นี่หรอใช่ไหมอย่างเช่นรายได้ข้อที่2องรายได้ข้อที่2เนี่ยนะครับเมื่อมี การสร้างโครงสร้างเบอร์ไวเว็บเนี่ยนะครับของกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยไปถึงจุดจุดหนึ่งะครับที่มีจำนวนสมาชิกนะครับ2ล้านกว่ายูเซอร์เนี่ยนะครับคุณได้ 1% เนี่ยจากส่วนนั้นเนี่ยคุณมีเงินถึง20ล้านนะครับในรายได้ข้อ 2.1 นะครับทีนี้ฮะในส่วนของการเซอร์วิสซิสเต็มนะครับต่อเดือนเนี่ยนะครับคุณก็สามารถมีรายได้จากข้อเนี้ยนะฮะในข้อ 2.2 เนี่ยได้ถึง6ล้านกว่าบาทต่อเดือนเป็นพาสซีฟที่ที่ฟเข้ามาเลยนะฮะมันมันจะกลายเป็นยุค ยุคของออโตเมติกทันทีนะครับมันจะกลายเป็นยุคของทุกคนฮะมีการเซอร์วิสแล้วรายได้ทุกอย่างฮะมีการแปลงเป็นกําไรทั้งหมดนะครับหมุนเวียนคืนสู่สมาชิกทั้งหมดที่ใช้โปรแกรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนของโครงสร้างมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมีศักยภาพมากพอนะครับที่ทําให้เงินเพียงแค่1000เนี่ยนะครับสามารถแปลงเป็นเงินหลักหลายๆล้านได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่กําลังจะพิสูจนในอนาคตนะครับถ้าคุณ ถ้าคุณกำลังมองหาโมเดลธุรกิจนะครับที่ไม่ต้องลงทุนสูงๆนะผมบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งคำตอบให้คุณนะครับก็อย่างที่บอกนะผมไม่เคยบอกว่ามันดีที่สุดในโลกนะครับแต่มันมีมันมีข้อเท็จจริงของมันแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้ไอ้ตัวเพจคิวคเนี่ยมันก็เป็นอีกกระเป๋านึงนะครับที่ผมสามารถสร้างนะครับหรือว่าทุกๆคนนะครับสามารถสร้างเป็นในเรื่องของหลักหลักล้านได้นะครับในเรื่องของการเงินนะฮะทีนี้ฮะ เมื่อปลายทางมันสามารถ e> ทาาาําให้คุณมีหลักห ล, หลายล้านได้หรือคุณสามารถจับเงินได้ในทุกๆวันนะครับ응คุณอาจจะมองไม่เห็นเงินหลักร้านก็ได้ <'d S 1> ผมไม่ว่ากันนะครคุณอาจจะมองเห็นเงินหลักพันหรือหลักหลายๆพันต่อวันผมใช้ว่าต่อวันนะเงินลงมาทุกวันนะครับ <'d S 2> คุณอาจจะมีกระเป๋าเนี้ยเดือนหนึ่งซัพพอร์ตชีวิตคุณเดือนละหมื่นสมมุติเดือนละหมื่นผมว่าก็ดีขึ้นนะนีห่หรอใช่ไหม <oya> กับการที่คุณไม่มีซัพพอร์ตเลย ก, กระเป๋าหรืออาจจะมีเดือนละ 20,000 อ, อ, อาจจะมีเดือนละส 0,000 หรือบางคนอาจจะมีเดือนละเป็นแสน นะครับอาจหรืออาจจะหลายๆแสนนะครับทีนี้ฮไอโมเดลตัวนี้นะครับเฮ้ยถ้าคุณมองออกนะคุณจะรู้เลยว่ามันมันเป็นอะไรที่ผมใช้กับว่าพิเศษ พิเศษอย่างที่ว่าเราทำไมเราถึงใช้ระบบปฏิการปฏิบัติการที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องของออโต้ต่างๆทำไมเราถึงใช้ในเรื่องของจำนวนแมสนะครับหรือกลุ่มคนที่ใช้งานจำนวนมหาศาลนะครับทำไมเราใช้ถึงใช้ถึงโครงสร้างเว็บที่มีการออโต้เพรสเพื่อให้ทุกคนสามารถเกิดรายได้ได้ไดจากตัว 1% เนี่ยนะครับทไมเราถึงทาแบบนั้นนะฮะนี่ฮะมันเป็นในเรื่องของ การตอบโจทย์นะครับการใช้ชีวิตของคนในเรื่องของเงินนะครับเมื่อคุณมีเงินนะครับนั่นคือกุญแจดอกแรกที่สามารถทําให้คุณเนี่ยไปขายกุญแจดอกอื่นได้ในเรื่องของเวลานะครับคุณนึกออกไหมฮะวันนี้เนี่ยคุณขายชีวิตนะครับให้กับงานประจํานะครับวันละสิชั่วโมงวันละแชั่วโมงก็ตามแต่นะครับผมไม่ได้บอกว่างานประจําไม่ดีนะครับแต่คําถามคือวันนี้ผมถามคุณว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณหรือเปล่านะครับแน่นอนฮะ คือกำลังจะบอกว่านะครับทุกโมเดลธุรกิจนะครับทุกอย่างดีหมดเพียงแค่ว่าคุณเลือกไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับอย่างตัวผมเองผมเลือกไลฟ์สไตล์ที่ผมจะเป็นเจ้าของตัวผมเองถูกไหมฮะผมเลือกที่จะเป็นเจ้านายตัวเองผมเลือกที่จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบพา s ซีฟไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ผมชัดเจนนะครับในเรื่องของการทําเงินในเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะเมื่อคุณมีกุญแจดอกแรกในเรื่องของการเงินแล้วนะครับคุณก็จะมีกุญแจดอกที่2ในเรื่องของการที่คุณเนี่ยมีอีสสภาพทางเวลาได้ คุณสามารถเลือกได้ครว่าวันนี้คุณอยากจะทำงานกี่ชั่วโมงผมไม่ได้บอกนะครับว่าอิสภาพทางเวลาคือคุณจะไม่ต้องทํางานคุณเลือกได้ว่าคุณจะทํางานตอนไหนคุณตื่นมาคุณตื่นสายได้นะครับคุณไม่ต้องมีเวลางานนะฮะคุณอยากเลือกทํางานตอนสายคุณอยากเลือกทํางานตอนบ่ายก็เรื่องของคุณนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับคุณคุณไม่ต้องมานั่งดูปฏิทินนะคุณไม่ต้องมานั่งดูว่าวันหยุดของคุณนะครับมีวันไหนบ้างนะครับทุกวันคือวันหยุดและทุกวันก็คือวันทํางานเพราะคุณสามารถเลือกได้หหมดว่าาาคุณออยกทํตนนนไะ เอาง่ายๆฮะเสาร์อาทิตย์จะไม่มีผลกับคุณนะครับปีใหม่จะไม่มีผลกับคุณนะครับลอยกระทงผมไม่รู้ว่าเขาหยุดไหมลอยกระทงไม่หยุดเนาะลอยกระทงวันหยุดต่างๆตามเทศกาลต่าง ๆ, างๆไม่มีผลกับคุณนะครับวันพ่อวันแม่นะครั บ, นะรบเป็นทุกวันของคุณนะครับเพราะคุณมีในเรื่องของอิสระทางเวลาแล้วนะครับที่สําคัญคือเมื่อคุณมีเงินนะคุณจะไปโบทอกร้อยไหมศิลกรรมกินอาหารเสริมอะไรก็ได้ฮะได้หมดเลยครับเอาตามที่คุณสบายใจเลยฮะเพราะฉะนั้นฮะ ในส่วนของของของการใช้ไลฟ์สไตล์นะครับเมื่อคุณมีโครงสร้างตรงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครกุญแจ3ดอกของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินเวลาแล้วก็การเลือกที่จะดูแลสุขภาพประเภทไหนก็ตามแต่ที่คุณถนัดนะฮะคุณก็สามารถนะครับในการที่จะใช้ชีวิตตรงนี้ได้อย่างสบายใจนะฮะนี่คือนี่คือปลายทางของมันนะครับเมื่อคุณทำนะครับคุณจะได้แบบนี้นะฮะนี่ฮะมันเป็นในเรื่องของถ้าคุณมองเห็น ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับคุณก็สามารถจับได้ถูกธุรกิจที่คุณจะทำนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอาเป็นว่าฮะถ้าใครมองเห็นว่าตรงนี้สามารถซัพพอร์ตตัวเพจค q เนี่ยสามารถซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินคุณได้นะครับสามารถทําให้มันเป็นกุญแจนะครับขายสู่กุญแจดอกอื่นๆในชีวิตของคุณได้นะครับคุณก็ตัดสินใจจากข้อเท็จจริงครนะครับดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับโอเคนะฮะทีนี้ฮะเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของจับจับถูกธุรกิจ ทีนี้มาดูกันในส่วนของหนึ่งพันสร้างเงินล้านบ้างนะครับทําไมโปรเจกต์นี้ถึงชื่อ1000สร้างเงินล้านก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับช่วงแรกนะครับก็คือในเรื่องของศักยภาพของธุรกิจนะครับทีนี้ศักยภาพของโมเดลธุรกิจนี้นะครับอย่างที่อย่างที่ตอมคุยมานะครับทั้งหมดเนี้ยมันเป็นในเรื่องของของโครงสร้างนะครับที่ถูกออกแบบนะครับโดยคนจํานวนมากนะครับ ต้องบอกยังก่อนนะว่าถ้าใครมีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างมาร์เก็ตติ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในโครงสร้าง Binary ไ i นารีสเตอรต่างๆนะครับผมต้องบอกอยังก่อนนะว่าถ้าคุณเข้าใจมันนะคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างพวกนี้มันไม่ได้มีเฉพาะในบริษัทขายตรงนะครับบางคนเข้าใจว่านะครับเมื่อเอาคนมาร้อยเรียงต่อกันนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูนะฮะมันจะต้องเป็นธุรกิจขายตรงซิวะนะฮะไม่ใช่นะฮะคุณกําลังเข้าใจหลายประเด็นผิดพลาดไปเยอะนะครับ คนไทยฮะเมื่อเห็นแบบนี้ปุ๊บโอเนี่ยธุ ร, รกิจขายตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมต้องบอกเลยครับว่าทุกโมเดลธุ ร, รกิจเป็นแบบนี้หมดเลยครับหรือแม้กระทั่งพอคุณเห็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บนะฮะมีคนอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บคุณก็คิดว่าเนี่ยคือธุรกิจพวกแบบลูกโซ่ผิดกฎหมายขายตรงนะฮะคือต้องบอกอ ก, กันนะครับว่าทุกโมเดลธุรกิจนะครับมีโครงสร้างเชนเลคชันแบบนี้ทั้งหมดคุณลองดูนี่นะ นี่คืออะไรฮนะปิรามิดอ่าปิรามิดใช่ไหมทีนี้คุณลองดูนี่ฮะผมเอาโครงสร้างงานประจำมาให้คนดูนะนี่คือโครงสร้างงานประจำนะฮะอ่ะบนยอดสุดคนชอบบอกว่าโอเนี่ยคนที่อยู่บนบนคนที่มาก่อนก็ได้เงินเยอะอ่ะงั้นเรามาดูโครงสร้างของงานประจํากันนะฮะถ้าสมมุติว่า สามเหลี่ยมนี้คือโมเดลของบริษัทสักบริษัทหนึ่งนะครับคุณว่า c e o ของบริษัทมีกี่คนนะ c e โอซี CEO, CEO เงินเดือนเยอะไหมซีโอนะครับแน่นอนนะมีคนเดียวฮะซีโอนะครับเอ่อเออ็มดีนะครับเอ็มดกับซี o นี่ใกล้ๆกันไหมฮะเอ็มดเจ้าของต่างๆนะครับคุณว่ามีกี่คนนะเยอะไหมเต็มที่คน2คนแหะครับพวกนี้เงินเดือนเยอะทั้งนั้ น, นะ หัวหน้ า, าแผนกครหัวหน้าหัวหน้ า, าแผนกหัวหน้าต่างๆนะครับผู้จัดการต่างๆนะครับผู้จัดการต่างๆนะฮะรองประธานนะครับประธานรองประธานต่างๆฝ่ายกรรมธิการต่างๆคุณว่ามีเยอะไหมคนเหล่านี้ก็ไม่เยอะนะผมเห็นตามโครงสร้างบริษัทนะฮะเต็มที่ก็สี่ห้าค น, นคพวกนี้นะครับคุณลองมาดูนี่อ่ะอันนี้ก็เป็นพวกอ ะ, อะไรเดีย หัวหน้างานแล้วกันหัวหน้างานนะอันนี้ไม่ใช่พวกหัวหน้านะพวกพวกประธานพวกอะไรหัวหน้าแผนกต่างๆนะฮะแผนกต่างๆแผนกต่างๆคุณว่ามีหัวหน้ากี่คนแผนกละคนเนาะมีรองหัวหน้าอะไรเงี้ยมาดูที่ตรงนี้ฮะพนักงานพนักงานคุณว่าพนักงานเนี่ยเงินเดือนเท่ากับพวกหัวหน้าแผนกไหมก็ไม่จริงไหมพวกหัวหน้าแผนกก็เงินเดือนเท่ากับแบบผู้ผู้จัดการไหมก็ไม่ใช่ไหมฮะผู้จัดการเงินเดือนเท่ากับพวกประธานไหมฮะประธานเงินเดือนเท่ากับพวก MD พวก CEO อไหมฮะก็ไม่ เพราะฉะนั้นนะโครงสร้างบริษัทสักบริษัทหนึ่งนะครับนี่ฮะมันมีคนได้เยอะแล้วมันก็มีคนได้น้อยคุณนึกออกไหมนะทีนี้คุณลองดูนี่นะการที่คนคนนึงเนี่ยจะจะจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีหัวหน้าคนนึงเนี่ยออกจริงไหมหรือว่าแม้กระทั่งการที่คนคนนึงเนี่ยสามารถจะไต่เต้าเป็นผู้จัดการได้เนี่ยแสดงว่าผู้จัดการเก่าก็ต้องออกไม่งั้นก็ถูกย้ายฮะคุณนึกออกใช่ไหม หรืแม้กระทั่ง c ีโอนะครับซีโเนี่ยก็สมมุติมีคนเดียวเนี่ยการที่จะมี c ีโอีกคนหนึ่งแสดงว่า CEO คนเก่าต้องออกต้องไหมฮะฉะนั้นฮะตลาดของโครงสร้างที่อยู่ที่อยู่ทั่วไปผมใช้ว่าเป็นโครงสร้างตลาดของวินลูสคือมีแพ้มีชนะนะครับเมื่อมีคนได้มันต้องมีคนออกเมื่อมีคนเมื่อมีคนชนะมันต้องมีคนแพ้นะฮะมันมันมันต้องมีคนแพ้นึกออกใช่ไหมฮะทีนี้คุณลองดูนี่นะในโครงสร้างของธุรกิจอ่า ผมตีกลางๆแล้วะงันจํจาพวก MLM ต่างๆนะฮะ บ, บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเห็นเขาเขียนโครงสร้างอะไรพวกเนี้แล้วนะคุณก็คิดว่าไอ้นี่ได้ผลประโยชน์นะ ค, คุณลองดูข้อแท้จริงกันก่อนนะฮะผมอยากให้ทุกคนดูข้อแท้จริงแบบนี้นะครับโครงสร้างเมื่อกี้ที่ผมเขียนให้ทุกท่านดูเนี่ยแน่นอนมันคือข้อแท้จริงในบริษัทนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะเงื่อนไขนะครับ ของการได้รับรายได้นะครับของหลายๆยบรยิษัทนะครับผมก็เห็นชัดเจนนะฮะที่เหลือคือว่าวันนี้เรามีความเข้าใจเปนขนาดในต่างหารจริงๆแล้วเนี่ยในโครงสร้างของโมเดลธุรกิจนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็นขายตรงก็ดีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในตัวเพจคิวก็ดีมันเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเขาเรียกว่าพีระมิดหัวตัดพีระมิดหัวตัดอ่ผมต้องยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในเพจ q เนี่ย คุณว่าคนที่เขามาก่อนเนี่ยเขาได้ก่อนจริงเหรอเขาได้มากกว่าจริงฮะถูกต้องฮะแน่นอนฮะมาก่อนอาจจะมีโอกาสที่สามารถทําได้ก่อนคุณลองดูนะเดี๋ยวผมเขียนให้คุณดูนะอ่ะน A ใน A มาก่อนนะครับน A มาก่อนนะฮะน A เนี่ยแนะนําใน B ครับนะน A แนะนําใน B ครับและน A ก็แนะนําใน C ครับ เอมาก่อนนะฮะแต่ใน B ฮะพอใน B เข้าใจแล้วใน B ีนะครับทำโครงสร้างมาร์เก็ตติ้งของตัวเองออกไปนะครับทำโครงสร้างมาร์เก็ตติ้งตัวเองออกไปนะครับจำนวนเยอะมากเลยฮะจำนวนเยอะมากเลยมหาศาลเลยคำถามคือ A กับ B นะครับใครได้เยอะกว่าฮะต้อง B ถูกต้องไหมเพราะ B ีเขาทํามากกว่าฮะ แต่ถามว่า A มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือน B ีไหมแน่นอนนะถ้า A มีการขยายโครงสร้างออกไปนะครับของตัว A เอง A ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะว่าไอ้ตัวพีระมิดหัวตัดเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันใครก็สามารถมีรายได้หลักล้านได้กี่คนก็ได้ครับที่จะมีรายได้หลักล้านนะครับกี่คนก็ได้ครที่จะมีรายได้หลักแสนนะกี่คนก็ได้ครที่จะมีรายได้หลักหมื่นนะกี่คนก็ได้ที่จะมีรายได้หลักแสนเอ่อหลักพัน กี่คนก็ได้ที่จะมีรายได้หลักร้อยคุณนึกออกใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขที่คุณทำคุณทำได้แบบไหนละบ้างข้อ1 2่งสองสี่านะครับเพราะฉะนั้นฮะทุกคนฮะคำถามคือว่าเมื่อมีคนได้รายได้หลักล้านหนึ่งคนเมื่อมีคนที่สองมาได้รายได้หลักล้านคนแรกต้องหยุดได้รายได้หลักล้านไหมฮะก็ไม่ใช่ยู่ต้องไมฮะเพราะฉะนั้นะทุกคนสามารถมีโครงสร้างที่มี ตัวตอบโจทย์คือรายได้เนี่ยทุกคนมีเงื่อนไขเดียวกันนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นฮะมันจะเป็นเปรียบเหมือนกับตนะครับใครทคงถามคือคนเนี้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาสามารถขึ้นมามีในหน้นหลักล้านได้ไหมก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นมันออกแบบมาให้กับทุกคนนะฮะที่สามารถทําครบคุณสมบัติเงื่อนไขต่างๆนี้ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะครับทีมงานคนที่เพิ่งสมัครมานะครับบางคนเขาเห็นโอกาสเขาก็ทําตรงเนี้ย ได้อย่างเข้าใจนะครับเขาก็มีรายได้ติดมีคนติดตัวเขามีทีมงานเขาเป็นร้อยคนนะครับกับบางคนที่มาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นโอกาสเออเราเห่ยอยู่มัวแต่ลังเลยว่ามันจริงไม่จริงมันจะได้ไม่ได้นะครับเ อ, อ้มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้ไหมตั้งแต่เงื่อนไขใส่ตัวเองนะฮะทุกวันนี้บางคนก็มีแบบ10คิว20คิวอยู่เลยฮะ แต่กับคนที่มาใหม่ๆสมัครมา 2-3 วันเขาเห็นโอกาสกเขาเห็น เ, เขาเห็นความ เ, าเขาเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเขาศึกษาจนเข้าใจนะเขาออกไปทำออกไปทาออกไปทาอย่างเข้าใจเนี่ยเขามีรายได้แบบหลักหลายๆพันหลักหลายหมื่นนะเพราะฉะนั้ น, นะมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่การมองเห็นของคุณแล้วว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนเงิน 1,000 พของคุณเนี่ยเป็นหลักล้านได้ยังไงจากโมเดลนี้นะครับทีนี้ฮะแน่นอนนะ อย่างที่ผมบอกว่าโมเดลสั ก, กภาพธุรกิจมันมีมันมีสักเกภาพในส่วนของธุรกิจอยู่แล้วคือคุณโอมเนี่ยเขาทำตัวเพจคิวคิวนี้ออกมาจากวิชาชีพของเขาจากความรู้ของเขาคุณนึกออกไหมคือคือโปรแกรมเมอร์เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขาก็ทำอะไรได้นะฮะเขาก็ทำซอฟต์แวร์ทาโปรแกรมออกมา แต่โปรแกรมนี้สามารถทําให้คนเนี่ยเกิดวิชาชีพได้คือเขาสร้างวิชาชีพไปแล้วนะในตัวเพจคิวมันเป็นเหมือนวิชาชีพตัวหนึง่งนะครคุณสามารถทําอะ ไ, ได้ได้คุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นะครับคุณสามารถเอาโปรเจกต์นี้ไปให้กับคนที่เขาอาจจะมีเงินลงทุนน้อยแต่เขาก็อาจจะแบบอยากได้ช่องทางการทําเงินเพิ่มเขาก็สามารถทําได้คุณนึกออกใช่ไหมฮะแต่คําถามคือดว่าเมื่อคุณมีช่องทางทําเงินแล้วนะครับคุณเอามันไปสร้างให้มันมีศักยภาพได้ขนาดไหนต่างหาก น, นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องคุยกับตัวเองให้ชัดเจนนะฮะว่าคุณเข้าใจมันขนาดไหนคุณหนักแน่นกับมันขนาดไหนคุณสร้างรายได้กับมันได้แบบไหนนะครับทีนี้นะในเรื่องของช่องทางการทำตลาดนะครับที่สามารถทำได้กับทุกๆคนผมก็กลังหมายถึงว่า1 0 0 0พันสร้างเงินล้านเนี่ยนะครับชื่อมันก็บอกอยู่ว่า 1,000 แสดงว่าการลงทุนมาเนี่ยงันผมเชื่อว่าทุกคนมีเงิน1000 ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเห็นมันแบบไหนเนื้อออกใช่ไหมฮะทีนี้ฮนะห0ึ่สร้างเงินล้านเนี่ยผมต้องบอกเลยฮะว่าปัจจุบันคุณอาจจะคิดนะคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นสโลแกนหรือเปล่าเฮ้ยมันเวอร์หรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวถึงจุดหนึ่งฮนะผมจะยืนอยู่บนเวทีแล้วผมก็จะพูดคำคำนี้ฮนะห0ึ่สร้างเงินล้านไม่ใช่สโลแกนนะฮะแต่คือเรื่องจริงนะฮะ เพราะฉะนั้นนะฮะใครใครที่วันเนี้ยนะครับเข้ามาอยู่ในเข้ามาอยู่ในสิ่งที่มันเริ่มต้นนะครับ คุณจะเห็นเลยว่าทุกการเริ่มต้นมีปัญหานะครับมันไม่ได้ราบเรียบนฮะผมต้องบอกเลยมันไม่ได้ราบเรียบผมสมัครมาวันแรกนะฮะโอนเงินเสร็จปุ๊บระบบปิด2วันมันก็ไม่ได้ราบเรียบนึกออกใช่ไหมแต่ที น, นี้เราอาศัยความเข้าใจหรือแม้กระทั่งตอนเปลี่ยนเวอร์ชั่นจาก v 1 0เป็น v สอนะฮะเวอร์ชัน่นย์เป็น 2.0 เนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่าเรามีระบบเออเรามีกระบวนการการเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยถึง18วันนะใครใครที่ไม่ชัดเจนใครทีี่่่่่อออออกกเเเลยววาาาา Myset ไไไไมมมด้หหรรืคุณง็็นภพนะจะบบป แต่สุดท้ายคุณนึกคุณคุณมองเห็นภาพเดี๋ยวคุณจะมองเห็นพอยท์ที่ผมพูดนะพอเขาพอเขาเห็นว่าเฮ้ยอยู่ดีมันโตเฮ้ยอยู่ดีมันได้เงินเว้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนันะ้นสุดท้ายก็กลับมาทำนะเพราะฉะนั้นนะ คือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณอาจจะจะลีฟออกไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบคุณเช่นคุณอาจจะสมัครมาแล้วนะฮะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับคุณอาจจะเห็นว่าโนดมันมีปัญหาบ้างเล็กน้อยคุณอาจจะอารมณ์เสียนะฮะหรือว่าคุณแนบสลิปไปติดเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าใจระบบการทํางานของมันนะฮะหรือว่าคุณทําตรงนั้นไม่ได้คุณทําตรงนี้ไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอารมณ์เสียกับการผมขอถามคําถามใหม่หน่อยตอนนี้คุณใช้ Facebook ใหม่ๆตอนนี้คุณใช้ไลน์ใหม่ๆคุณรู้หรือว่ามันทําอะไรได้บ้าง คุณรู้เหรอฮะว่าไอคอนตรงนั้นคุณรู้เหรอฮะว่าสร้างแฟนเพจแบบนี้นะคุณรู้เหรอฮะว่าต้องกดไลค์ตรงนั้นตรงนี้ต้องเปิดดูงนะั้นก็ไม่รู้ถูกต้องไหมฮะแต่คุณก็คือคุณอยากใช้มันอนะ่ะคุณก็ศึกษามันคุณก็ลองทดสอบมันลองผิดลองถูกในเพจคิวคฮนะผมอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นโซเชียลจริงเพราะมันคือโซเชียลเราไม่เคยสื่อสารออกมาเป็นธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจแบบต้องไปแบบอะไรนะสร้างอเวอร์ อ, อลังการจัดงานไม่อยากให้เป็นแบบนั้น รหรือแม้กระทั่งนะครับบางคนยังสื่อสารธุรกิจหรือว่ามีการออผมใช่ว่าสื่อสารออกไปเนาะงเหมือนเชิงขายตรงอยู่เลยนะครับไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะครับอยากให้ทำแบบมันเป็นโซเชียลมันเป็นโซเชียลมาเก็ตติง้ง รูปแบบบางอย่างสามารถเอามาใช้ได้ความรู้บางอย่างสามารถเอามาใช้ได้ในการขยายธุรกิจของเรานะครับแต่อย่าเอามาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาพูดนะฮะการแสดงออกต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของออลักษณะของการทำงานนะครับบางอย่างต้องถูกปรับเปลี่ยนบ้างนะครับให้เข้ากับโมเดลนี้นะครับที่เหลือคืออะไรรู้ไหมฮะวันนี้เนี่ยเราเราเป็นเราเป็นทีมนะครับ The Passion Team นะครับ คือทีมเด e p แพ s ชั่นเนี่ยนะครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมานะครับผมเน้นย้ําเสมอนะครับเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีระบบนะครับเพื่อให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือนะครับในการทํางานนะครับคุณสามารถเอาเครื่องมือใน t ด็ดแพชชั่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคอสแคมป์งานฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งรูปภาพนะครับในเรื่องของออการทํางานต่างๆคุณสามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันไม่มันไม่ได้มีอะไรให้ต้องเรียนรู้เยอะเลยคุณนึกออกใช่ไหมฮะ เรามีอะไรฮะเนื้อการการสมัครเปิดใช้งานให้ถูกต้องนะครับแนบสลิปยังไงนะครับโพสตคอนเทนต์แบบไหนนะครับการเช็คโมูดูนต่างๆในแฟนในตัวเพจย q นะครับมีแค่นั้นจริงๆนื้ออกใช่ไหมฮะมีเท่านี้จริงๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานมันง่ายมากเนื้องานมันง่ายมากนะครับมันไม่มีอะไรเลยฮะมันเป็นมันเป็นโซเชียลที่คุณต้องใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันมันมีแค่นั้นนั่นคือนั่นคือทั้งหมดที่มันเป็นนะฮะที่เหลือคือ อีกหน่อยเมื่อมันถูกพัฒนาเป็นสังคมออนไลน์ที่มันที่มันมีที่มันมีหลายๆอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณคุณมันก็จะเป็นเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งคุณไปเลยที่คุณตื่นเช้ามาคุณก็ใช้งานมันนะครับก่อนนอนคุณก็ใช้งานมันนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะฮะคุณอยากได้ตรงนั้นคุณก็ซื้อจากตรงนี้คุณอยากได้ตรงนี้คุณก็ซื้อจากตรงนั้นนะฮะคุณอยากแลกเปลี่ยนความรู้อะไรคุณอยากจะถ่ายรูปคุณอยากจะฟังเพลงคุณอยากจะไลฟ์คุณอยากจะโหลดคุณอยากจะโพสต์คลิปททุกออยย่่างงจะูพั้ห นี่คือสิ่งที่มันจะครอบคุมการใช้งานของพวกเรานะครับแล้วเกิดรายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ The Passion Team เนี่ยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเราเราจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับในเรื่องของระบบต่างๆในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอบคุณนะฮะทีมโค้ชนะครับหลายๆท่านนะครับ ที่วันนี้เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ The Passion Team แล้วหลายๆท่านนะฮะมีโมเดลหลายๆธุรกิจอยู่ในมือก็วางมือแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในการทํางานที่นี่นะครับผมบอกเลยฮนะว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับใครที่อาจจะเคยทําหลายๆธุรกิจผ่านมาคุณบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีธุรกิจอยู่ในมืออยู่นะฮะแต่คุณหารู้ไม่ว่าคุณน่ยไม่รู้ตัวซะแล้วนะครับว่าใจของคุณน่ยนะครับหรือการทํางานของคุณน่ยมันห <ū> ันเหมาที่นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณตอบโจทย์ตัวเองได้นะครับว่าที่นี่นะฮะเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถทําเงินได้ง่ายๆผมบอกนะฮะว่าอย่าลังเลนะครับศึกษาให้เข้าใจศึกษาจากข้อเท็จจริงให้เข้าใจแล้วก็ลงมือทําด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับเราจะไม่เป็นมือสมัครเล่นในการทํางานนะครับทุกอย่างจะต้องเป็นมืออาชีพแต่ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นฮะมันเป็นโปรเจกต์ที่ทําง่ายๆนะครับโอเคนะฮะทีนี้ The Passion Team นะครับเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการทําให้ทุกคนนะครับ มีผลลัพธ์กับแผ่คิวนะครับเราจะไม่มีนะฮะในเรื่องของสมมติว่าอันนี้อะไรนะครเฮ้ยดูไม่เวิร์แล้วเราก็มูฟไปทาตัวนั้นตรงนี้ไม่เวิร์แล้วเราก็มูฟไปทตัวนี้ไม่นะคัผมจะไม่ใช่คนที่นะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิดนะครับให้กับทุกๆท่านผมจะเป็นคนที่ชัดเจนนะครับให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเสาหลักที่มั่นคงนะครับทให้บ้านแข็งแรง เป็นสิ่งหนึ่งครที่วันนี้หลายๆคนนะครับที่มาเป็นทีมโค้ชกับผมใน The Passion เขาจะเป็นเสาหลักให้กับผู้คุณนะครับแน่นอนคนระทุกๆูคนนะครับต้องมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเพิ่มก็คือในเรื่องของการเรียนรู้จักกันนะครับบางครั้งเราอาจจะมาในมาใน อ, ออนไลน์นครัเราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเหมือนผมกับทีมโค้ชนะครับหรือแม้กระทั่งตัวผมเองกับคุณโอมแล้วก็คุณมาสาที่เป็น CEO แล้วก็ฝ่ายบริหารของบริษัทผมก็ไม่เคยรู้จักกมาก่อน แต่วันนี้เนี่ยเราเรารู้จักกันด้วยผลลัพธ์นึงเหรอใช่ไหมเราพิสูจน์ตัวเองด้วยผลลัพธ์ที่เราสร้างนะครับเราพิสูจน์ด้วยวันนี้เราสร้างคนที่มีผลลัพธ์หลายๆคนนะผมสร้างคนที่มีผลลัพธ์นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ในองค์กรเนี่ยไม่ต่ากว่าหลักหลายพันคนนะที่มีเงินเข้าในกระเป๋าทุกๆวันนะครับแม้แม้กระทั่งวันนี้คนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ๆเลยทุกคนนะเมื่อมีการทํางานเข้าเกิดรายได้แน่นอนนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์นะครับสามารถใช้ได้สิ่งสําคัญคือวัฒนธรรมนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เด็ดแพชชั่นเป็นนะครับคือในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ขาวสะอาดเท่านั้นความสําเร็จนะครับจะมาจากดํามืดหรือขาวสะอาดนะครับแน่นอนครมันคือความสําเร็จนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นความทรนงในหัวใจคุณคือคุณสําเร็จด้วยความขาวสะอาดนะครับวันนี้เราจะไปกับ สิ่งที่มันถูกต้องนะครับเราจะไม่คอสไลใครนะครับเราจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะฮะเราจะไม่โม้โออวดใครนะครับเราจะเป็นคนที่นะครับใช้ผลลัพธ์มากกว่าคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ คุณคุณศึกษาอย่างโปรเฟชชั่นแลนะครับคุณมีจุดหมายในใจชัดเจนคุณมั่นใจว่าคุณกําลังจับถูกธุรกิจอยู่นะครับคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณกําลังทํำนี้นะครับถ้าคุณทําด้วยความเข้าใจคุณก็จะทําเงินได้อย่างมหาศาลเช่นกันนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นเสาหลักร่วมกันที่นี่นะฮะเราจะเป็นยูเซอร์แรกๆของโลกนะครับผมบอกเลยนะว่าแสนยูเซอร์แรกแสนยูเซอร์แรกนะครับที่เป็นที่เป็นพวกคุณนะฮะพวกคุณทํานะครับ ผมบอกเลยว่าคุณรวยทุกคนนะครับคุณได้เงินแน่แน่ทุกคนนะฮะคุณสามารถมีกระเป๋าตรงเนี้ยได้อีกใบนึงทุกคนแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ความเชื่อมั่นนะวันนี้เนี่ยในตัวคุณโอเมงนะครับมีการพัฒนาตลอดในเรื่องของระบบต่างเซิร์ฟเวอร์นะครับการเพิ่มหนดต่างฮะมันอาจจะมีขร่ขาะบ้างอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งฮะวันนี้เราจะไม่มีคำว่า 100% คุณโอบอกผมเลยครว่าเพจคิวๆนะครับผมเคยถามว่ามันจะมีวันเสร็จไหมผมบอกคุณโอบอกผมว่ามันจะไม่มีวันเสร็จโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ไม่มีวันเสร็จเมื่อมันไม่มีวันเสร็จมันจะพัฒนาไปตลอดนะครับโปรเจกต์ project ไหนที่มีวันเสร็จแล้วอยู่ตัวแล้วผมบอกเลยครนั่นคือโปรเจกต์ที่พร้อมลงได้ทุกเมื่อแต่เมื่อมันมีการพัฒนามันมันมีการอัปเดตตลอดนะผมบอกเลยครับว่ามันจะไม่มีวันเสร็จคุณก็จะไม่มีวันที่จะแบบรายได้มันจะหยุด มันจะถูกพัฒนามันจะถูกเพิ่มไปเรื่อยๆ น, นะครับฉะนั้นฮนะอยากให้มั่นใจนะครับอยากให้ศึกษาด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ใจเย็นๆ น, นะครับในเรื่องของการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสร้างผลลัพธ์นะครับมันจะมาพร้อมกับความใจเย็นของคุณบางคนนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมต้องบอกว่าช้าๆแต่เร็วแต่ถ้าคุณทําเร็วๆมันอาจจะช้าทํำไมผมถึงยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ คือบางครั้งเนี่ยคุณเคยอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันคุณอาจจะสร้างกรุ๊ปไลน์มาแล้วคุณก็ดึงคนเข้ามาเยอะๆเลย4ี่ห้าร้อคนนะฮะโดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าพอมีคนเยอะๆคุณให้ข้อมูลไปเสร็จปึ้งนะฮะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยหลายๆคนมองเห็นนะครับคุณรู้ไหมฮะว่าเขากดออกกลุ่มเลยนะครับเขาเผลอๆเขาอาจจะคิดลบกับคุณว่าคุณหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะนึกออกใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้คุณคุณค่อยๆสร้างทีละคนนะ คุณสร้างคนนี้ให้เข้าใจคุณสร้างคนนี้ให้เข้าใจนะครับคุณอาจจะมีหลายๆคนที่ติดต่อคุณมาคุณก็สร้างให้ทุกคนเข้าใจนะครับรืแรกมันอาจดูช้านะฮะคุณอาจได้2องส0มพันสี่ห้าหลักหมื่นนะครับคุณได้ 1% 2% 3% ่รนะครับไล่มาเรื่อยๆคุณแรกๆคุณอาจจะมองดูช้าแต่คุณลองนึกภาพนะครับกลุ่มคนที่มีความเข้าใจเมื่อเขาถูกขยายออกไปเมื่อเขาขยายไปสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเลเวอเรจครับแล้วมันจะเรเงงาั น, น้นครสรสะรบ สองตัวผมเองนะครับถึงมีเป็นหลักหลายๆหมื่นคนนะครับไม่ใช่หลายหมื่นคนหมื่นกว่าคนกับ2 0,000 คนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดโมเมนตัมนะครับก็ทีมงานอื่นๆนะครับที่ที่ไม่ใช่ตั้งแต่สายตอเมงเขาก็มีฮะเขาก็มีคนนะครับเรายินดีที่จะให้ทุกคนนะครับมีทีมงานนะครับแต่วันนี้คุณลองนึกภาพเลยครับทำไมเราถึงเป็นทีมงานที่ใหญ่มากๆนะฮะเป็นหลักหมื่นคน ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างนะครับวันนี้ตอมเช็คไวาทอไซของตอมเองนะครับในเรื่องของตัวหนเนี้ยนะครับมีเป็นแบบโห้ลิสต์เป็นหมื่นรายการเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะนี่แหะครับจะเป็นจุดที่ผมกําลังจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าใน12สัปดาห์ที่ผมเริ่มทาโปรเจกต์นี้ด้วยความเข้าใจนะครับผ่านจุดที่ขรุขระที่สุดนะครับมาแล้วนะฮะผมบอกเลยครับว่านี่จะเป็นจุดที่พวกเราสามารถทํางานได้ง่ายที่สุดเพราะว่าอะไรฮะสัปดาห์แรกผมไม่มีอะไรให้พรูฟนึกออกใช่ไหมฮะผมไม่มีหลักฐาน ผมไม่มีเงินเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับทีมงานก็ยังไม่ได้เยอะแต่เราก็ยังเราก็ทำตรงนั้นด้วยความเชื่อมัน่นคลิปต่างๆนะครับผมก็ไม่มีนึกออกใช่ไ้ยผมก็ทำเองฮะคือไม่มีก็ทำเองซะเลยฮะเพราะฉะนั้นพวกเราฮะมีในเรื่องของการพิูจทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับ เวอร์ชั่นของเว็บไซต์เว็นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคุณคุณได้เข้าถึงพวกงานฟังก์ชันต่า ง, า ง, างๆที่คุณเห็นนะครับมีคลิปมีคอร์สมีเครื่องมือต่างๆคุณต้องทําได้เร็วกว่าผมนะคือเอาง่ายๆฮะทุกคนเมื่อมีทุกอย่างพร้อมแล้วเมื่อคุณเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องทําได้มากกว่าหรือเท่ากับนะครับคือมากกว่าฮะหรือเท่ากับนึกออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับโฟกัส นะครับอย่างตั้งใจทคำความเข้าใจนะครับแล้ววันนี้ผมเน้นย้ำนะครับคุณกำลังจับธุรกิจที่ถูกต้องมากๆนะครับคุณกำลังจับธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ยิ่งใหญ่มากคุณกำลังจับธุรกิจที่คุณสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลจากเงินเพียงแค่1 0 0 0นะครับโอเค